จเจรินพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หมีนาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทางมารักษาสิ่ง มาฝั่งเทศฝั่งธรรมเพื่อเป็นการแสมสร้างบำรุงจิตใจให้มีความสุขมีความเจริญให้มีความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงไปชีวิตของพวกเรานี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายแ ล, และจิตใจร่างกายนี้เป็นส่วนที่ไม่ทาวร คือมีอายุไม่เกินร้อยปีก็จะต้องหมดสภาพไปแต่ใจนี้เป็นส่วนที่ถาวรไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายหลังจากที่ใจกับร่างกายแยกทางกันแล้วร่างกายก็กลับคืนสู่ดินน้ำหมือไฟแต่ใจนี้ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ ตามอำนาจของบุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไว้ในแต่ละภพในแต่ละชาติดังนั้นการดูแลรักษาจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการดูแลร่างกายเพราะร่างกายต่อให้ดูแลให้ดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็จะต้องดับไป จะต้องหมดไปแต่ใจนี้ถ้าดูแลได้ดีมากเท่าไหร่ก็จะเจริญมากขึ้นไปเท่านั้นจนเจริญถึงขั้นสูงสุดเช่นที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เจริญจนถึงขั้นสูงสุดคือได้ถึงพระนิพพานแล้วเมื่อได้ถึงขั้นพระนิพพานแล้ว ก็จะได้รับรางวัลอันเลิ่อันประเสริฐคือปรมังสุขขังแปลว่าความสุขที่เต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่มีวันหมดไม่มีวันเสือ่อมไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนแล้วก็สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปเกิดใหม่เพราะการเกิดนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดี เกิดแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาเสมอไม่ว่าจะอยู่ในภพใดอยู่ในฐานะใดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพรากจากกันดังนั้นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาจึงอยู่ที่การไม่เกิดอยู่ที่การสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ที่การรักษาศีล อยู่ที่การฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมอยู่ที่การปฏิบัติธรรมเพราะเป็นเครื่องมือที่จะพาให้จิตใจได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เลิกที่ประเสริฐที่เรียกว่าอาริยทรัพรัพภายในนี่คือรั์ที่แท้จริงของใจส่วนรั์ของร่างกายนี้ ก็อยู่ไปคู่กับร่างกายพอร่างกายหมดสภาพไปทรัพย์ก็จะกลายเป็นของผู้อื่นไปดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะเสียเวลากับการสร้างทรัพย์ของกายให้มากจนเกินไปควรสร้างให้พอประมาณพอใช้กับความจำเป็นของร่างกายคือให้มีปัจจัยสี่ เพื่อที่จะได้ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ไม่เจ็บไข้ได้ปวดแล้วจะได้เอาร่างกายมาทําประโยชน์ให้แก่จิตใจอย่างที่ญาติโยมได้มากระทากันในวันนี้ญาติโยมเอาร่างกายของญาติโยมมาวัดเอาทรัพย์ของร่างกายมาแบ่งปัน ให้แก่ผู้อื่นให้แก่พระภิกษุสัมามนเณรแล้วก็ให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เกิดจากการแบ่งปันทรัพย์ภายนอก ใ, ให้แก่ผู้อื่นผู้ที่ร่วมรับไปแล้วถ้าอยู่ในฐานะที่ต้องอาศัยบุญอุทิศก็จะได้รับบุญอุทิศนี้ไป ถ้าไม่อยู่ในฐานะก็จะไม่สามารถรับได้เช่นถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไม่สามารถรับบวงวุทิศได้ถ้าไปตกนรกก็ไม่สามารถรับได้ถ้าไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าก็ไม่สามารถรับได้เช่นเดียวกันแต่ไม่มีปัญหาอะไร เพราะถ้าได้เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าจะมีทรัพย์มากกว่าทรัพย์ที่พวกเราอุทิศไปให้ทรัพย์ที่เราอุทิศไปหรือบุญที่เราอุทิศไปนี้เป็นจํานวนไม่มากเหมาะกับดวงวิญญาณที่เรียกว่าสามภเวสีหรือเปรตเท่านั้นพวกนี้เขาต้องรอรับส่วนบุญ อุทิตนี้อยู่เพราะในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างทรัพย์ภายในไม่เหมือนกับผู้ที่ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าเขาสร้างบุญอยู่ตลอดเวลาในขณะที่มีชีวิตอยู่และเมื่อเขาตายไปเขาจึงไม่ต้องอาศัยบุญอุทิตของผู้อื่นเพราะเขามีมากกว่าบุญอุทิตนั่นเอง นี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราเรามีสองส่วนด้วยกันส่วนที่ถาวรและส่วนที่ไม่ถาวรร่างกายเป็นส่วนที่ไม่ถาวรรวมไปถึงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบริษัทบริวาร ท, ทั้งหลายก็ไม่เป็นไม่ก็เป็นส่วนที่ไม่ถาวรเช่นเดียวกันเราจึงอย่าไปหลงยึดติดกับส่วนนี้ เะส่วนนี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งไปหส่วนที่ถาวรส่วนที่เป็นของเราที่แท้จริงก็คือจิตใจจิตใจนี้ไม่ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้มีแต่จะไปสูงหรือไปต่าเท่านั้นอยู่ที่บาปหรืออยู่ที่บุญที่เราทาไว้บาปเป็นเหตุที่จะพาให้จิตใจไปเกิดในที่ต่า บุญเป็นเหตุที่ทำให้จิตใจไปเกิดในที่สูงนี่เป็นหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงตัดสรู้แล้วนำเอามาเผยแก่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ใดที่มีปัญญามีความสามารถรับความรู้อันนี้มาได้ก็จะมีศรัทธา มีความยินดีที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างบุญสร้างกุศลส่วนการสร้างทรัพย์ภายนอกนั้นก็ทำเท่าที่จำเป็นทำพอเพียงต่อการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ให้มีกำลังวางชาเพื่อจะได้มา สร้างบุญสร้างกุศลอย่าเสียเวลากับการสร้างทรัพย์ภายนอกเพราะมันเป็นเหมือนกับการไปก่อเจดีย์หรือก่อปราสาทที่ชายทะเลก่อทรายเอาทรายมาก่อให้เป็นรูปเจดีย์เป็นปราสาทเป็นบ้านเป็นอะไรก็ตาม พอน้าขึ้นมาน้ำเต็มฝั่งก็จะซัดให้ทรายที่เราสร้างเป็นบ้านเป็นเจดีย์นี้สูญหายไปหมดทรัพย์สมบัติของพวกเราหรือร่างกายของพวกเราก็เป็นเหมือนเจดีย์ทรายเป็นเหมือนบ้านทรายที่เราก่อไว้ที่ชายทะเลในเวลาน้ำลงพอน้าขึ้นมา มันก็จะถูกน้าละลายหายไปหมดชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้น้าของเราตอนนี้กำลังขึ้นมาเรื่อยๆชีวิตของเรานี้ก็จะใกล้ถูกน้ามันซัดหายไปหมดพอถึงเวลาน้าขึ้นเต็มที่ชีวิตของเราก็ร่างกายของเราก็จะหมดไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ก็จะหมดไปบริษัทบริวารต่างๆก็จะหมดไปเราก็ต้องจากโลกนี้ไปคือใจนี้จะต้องจากโลกนี้ไปใจนี้ไม่ตายทำอย่างไรก็ไม่ตายใช้ระเบิดนิวเคลียร์มาฆ่าก็ไม่ตายเพราะใจนี้เป็นนามธรรมาไม่ใช่เป็นวัตถุไม่ใช่เป็นรูปธรรม ถ้าไม่เป็นวัตถุไม่เป็นรูปธรรมแล้วระเบิดชนิดต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทําลายได้แต่สิ่งที่จะทําลายหรือสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ก็คือการทําบาสนี่เองแล้วก็การไปเกิดใหม่นี่คือเรื่องที่เราต้องมาแก้คือเรื่องการทําบาปแล้วก็เรื่องการไปเกิดใหม่เราต้องมา ตัดการกระทำบาปให้หมดไปแล้วก็ต้องแก้การไปเกิดไม่ให้กลับไปเกิดใหม่อีกเพราะกลับไปเกิดใหม่อีกก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัดพากจากกันอีกไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่พวกเรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแล้วเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไป ความทุกนี้จะมากมายเพียงไรลองคิดดูเอาก็แล้วกันแต่ถ้าเราไม่กลับมาเกิดเลยเราก็จะไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดรากจากกันถ้าเรายังต้องเกิดอยู่อย่างน้อยก็ขอให้เราเกิดในภพที่ดีชาติที่ดีด้วยการไม่ทําบาปถ้าเราไม่ทําบาปเราไม่ต้องไปเกิดในอบาย ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าจนในที่สุดเราก็จะไปถึงจุดที่ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเมื่อเราได้ทำลายภพทาลายชาติทำลายเชื้อแห่งพพชาติจนหมดไปจากใจของเราแล้ว ดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องไม่ทําบาป ก, กันก่อนเราต้องรักษาศีลห้าให้ได้บริสุทธิ์อย่าไปละค่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายามหล้าเพราะการกระทําบาปนี้จะพาให้เราไปเกิดในที่ต่ำมีใครอยากไปเป็นเดรัจฉานบ้างมีใครอยากไปเป็นเปรตบ้าง มีใครอยากจะตกนรกบ้างไม่มีใครอยากแต่ทำไมถึงมีเดรัจฉานมาเกิดทำไมถึงมีเปรตทำไมถึงมีนรกก็เพราะว่ายังมีการทำบาปอยู่การไม่อยากไปนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะยับยั้งการไปเกิดในอบายได้เหตุที่จะยับยั้งการไม่ให้ไปเกิดในอบายก็คือการไม่ทำบาปเท่านั้น จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าทำไปแล้วก็ต้องไปเกิดอย่างแน่นอนถ้าไม่ทำก็จะไม่ไปเกิดพระพุทธเจ้ามาสอนเหล่านี้ก็ไม่ได้ให้เราเชื่อเฉยๆเท่านั้นให้เราพิสูจนให้เราปฏิบัติเป็นเหมือนกับการเอายามาให้เรารับประทานท่านบอกว่ายานี้ถ้ารับประทานแล้ว จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เรากำลังเป็นอยู่ถ้าเราเชื่อเราก็จะรับยานี้มารับประทานพอเรารับประทานแล้วเราก็จะรู้ว่ายานี้รักษาโรคของเราได้หรือไม่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่รับประทานดังนั้นความเชื่อของพระพุทธศาสนาจึงเป็นการเชื่อเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเอกขั้นหนึ่ง ไม่ใช่ให้เชื่อเฉยๆเชื่อว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงถ้าเชื่อแต่ไม่ทำตามเชื่อแล้วก็ยังทำบาปอยู่เพราะยังยังอดที่จะทำบาปไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เชื่อแล้วต้องทำตามถ้าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงที่มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องรักษาศีลห้าอย่างอย่างบริสุทธิ์ถึงจะเรียกว่าเป็นพุทธศาสนกชนอย่างแท้จริงการที่การเป็น พ, พุทธศาสนาชนนี้ก็มีอยู่สองส่วนคือส่วนแรกก็คือมีความเชื่อในพระรัตนตรยัย ถึงในพระรัตนาตายเป็นสารณะเป็นที่พึ่งพุทธทังธรรมังสังฆังสารนังกระฉามินี่แปลว่าเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งการยึดก็คือการเชื่อในการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในคำสั่งสอนของพระธรรมคำสอนในการสั่งสอนของพระอริยสงสาวกทั้งหลายและสิ่งที่ท่านสอนก็คือ ไม่ให้ทำบาปทั้งปวงให้ทำบุญทั้งให้สร้างบุญให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้ทำจิตใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ถ้าเราถึงพระรันตนตรัยเราก็ต้องปฏิบัติทำตามคำสอนทั้งสามส่วนนี้คือไม่ทำบาปทำแต่ความทำแต่ความดีแล้วก็ชำระใจของเราให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ นี่ถือจึงถือว่าเป็นเป็นพุทธศาสนกชนอย่างแท้จริงถ้ายังไม่ได้เชื่อและปฏิบัติถึงแม้จะเรียกตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนก็เป็นเพียงแต่ชื่อไม่ได้เป็นตัวเหมือนกับคนที่เราตั้งชื่อไว้ต่างๆชื่อดีบ้างชื่อสวยบ้างชื่องามบ้างแต่ ไม่ได้ดีไม่ได้สวยไม่ได้งามตามที่เราตั้งชื่อเอาไว้เพราะชื่อกับของจริงนี้ไม่เหมือนกันของจริงนี้ต้องเกิดจากการกระทำเท่านั้นถึงจะเป็นจริงได้ถ้าเราอยากจะเป็นนายดีที่แท้จริงหรือนางสาวดีที่แท้จริงเราก็ต้องทำความดี ถ้าอยากจะเป็นนายบุญนางสาวบุญที่แท้จริงก็ต้องทำบุญไม่ทำบาปถึงจะเป็นอย่างแท้จริงได้ถ้าอยากจะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องเชื่อในพระธรรมคำสอนเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระอริยสงสาวกและเมื่อเชื่อแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนทั้งสามประการบาปเราก็ต้องไม่ทากัน บุญเราก็จะทำกันให้มากทำบุญให้ทางอย่างนี้ก็เรียกว่าทำบุญมีความกตัญญูกตเวทีอย่างนี้ก็เรียกว่าทำบุญมีสัมมาคารวะมีความวเคารพในผู้สูงในผู้ใหญ่อย่างนี้ก็เกมมรีย ก, กว่าเป็นการทำบุญมีความเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญ สิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามทำกันให้มากๆอย่าไปเสียดายสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆอย่าไปเสียดายเวลาหรือโอกาสที่เราจะหาเงินหาทองทำหาเงินหาทองเท่าที่จําเป็นเท่าที่พอเพียงพอพอแล้วเอาเวลาเอาโอกาสนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่า ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามช่วยเหลือคนใกล้ตัวเราก่อนช่วยเหลือพ่อช่วยเหลือแม่ที่เป็นเหมือนกับพระพรหมของลูกลูกไม่ต้องไปหาพระพรหมที่อื่นไม่ต้องไปหาพระอริยเจ้าที่อื่นให้เราทำบุญกับพระอริยเจ้าในบ้านเราก่อนอย่ามองข้ามพระอริยเจ้าในบ้านของเราไป ดูแลท่านให้ดีให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายเมื่อเราได้ทําบุญกับพระอริยเจ้าในบ้านของเราแล้วค่อยออกไปทําบุญกับพระอริยเจ้านอกบ้านต่อไปเพราะการทําบุญกับพระอริยเจ้านอกบ้านนี้เราจะได้ประโยชน์มากกว่าทําบุญกับพระอริยเจ้าในบ้านตรงที่ว่า พระอริยเจ้าจะสอนธรรมะให้กับเราจะชี้ทางสว่างให้กับเราจะพาให้เราได้ไปสู่ที่สุขที่จะเจริญที่รุ่งเรืองต่อไปพระที่บ้านเรานั้นท่านไม่สามารถที่จะสอนเราได้เพราะท่านยังเป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดาที่มีกิเลสมีอวิชชามีโมหะ ครอบงมจิตใจ ย, ยังไม่มีแสงสวา่างพอที่จะพาให้เราไปสู่ที่ดีที่เลิศได้เราจึงต้องไปหาพระอริยเจ้าข้างนอกต่อแต่เริ่มต้นต้องต้องทำบุญกับพระอริยเจ้าของเราก่อนคือพ่อแม่ของเราไม่ควรทอดทิ้งควรจะดูแลท่าน ให้ดีคือดูแลเรื่องปัจจัยสี่ถ้าท่านขาดอาหารก็หาอาหารมาให้ท่านขาดยาขาดหมอก็หายาหาหมอมาให้ขาดเสื้อผ้าก็หามาให้ขาดบ้านอยู่ก็หามาให้ถ้าได้ครบทั้งสี่ส่วนนี้แล้วก็ถือว่าพอเพียงถ้าท่านขาดอย่างอื่นที่ไม่จําเป็น เราไม่จำเป็นไปหามาให้ก็ได้เช่นท่านชอบดื่มสุราท่านอยากให้เราไปหาสุรามาให้ดื่มอย่างนี้ไม่ต้องหามาท่านอยากจะเอาเงินไปเล่นการพนันอย่างนี้ก็ไม่ต้องให้ไปเพราะการช่วยท่านแบบนี้เท่ากับช่วยให้ท่านไปอาบายไม่ได้ช่วยให้ท่านไปสู่สุขติสิ่งใดที่เป็นคุณ สิ่งใดที่เป็นคุณกับท่านก็ให้ได้แต่สิ่งที่เป็นโทษก็ไม่ควรให้ถ้าท่านจะขอเงินไปทำบุญอย่างนี้ก็ให้ได้ท่านอยากจะสร้างกุฏิถวายวัดอยากจะสร้างเจดีย์อยากจะสร้างบุตถ้าเรามีเงินเราจะให้ท่านไปสร้างก็ได้เพราะท่านจะได้บุญจากการกระทำอย่างนี้ แต่ถ้าท่านจะเอาไปเล่นการพนันเอาไปเที่ยวเอาไปดื่มสุรายาเมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องให้ไม่ถือว่าเป็นการเนรคุณไม่ถือว่าไม่มีความกตัญญู่กตเวทีการที่จะให้อะไรกับใครนั้นต้องดูว่าให้แล้วเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษถ้าเกิดโทษก็ไม่ควรให้ถ้าเกิดประโยชน์ ถึงควรจะให้นี่ก็คือเรื่องของการทำบุญหรือการให้ทานแก่ผู้อื่นแม้กับพระพิสุขสงฆ์ก็เช่นเดียวกันก็ต้องเลือกดูว่าควรจะให้อะไรให้สิ่งที่เป็นโทษก็ไม่ควรให้ถ้าให้ปัจจัยสี่เช่นอาหารยารักษาโรคจีวรที่อยู่อาศัยนี้ให้ได้ ถ้าจะให้เงินก็ต้องมีเหตุผลว่าให้ไปเพื่ออะไรถ้าให้โดยไม่มีเหตุผลถ้าผู้รับไม่ฉลาดก็อาจจะเอาไปทำสิ่งที่เป็นโทษกับตนก็ได้เช่นเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นหรือเอาไปเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นแทนที่จะอยู่วัดปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะ ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะได้เงินจากญาติโยมมาอย่างนี้ก็ต้องระวังเวลาจะให้เงินกับพระภิกษุต้องพิจารณาดูไว้ก่อนว่าท่านมีความจำเป็นหรือไม่ถ้าท่านจะเอาไปสร้างกุฏิอย่างนี้ก็ถวายได้ถ้าท่านจะเอาไปเย็บจีวรไปซื้อผ้ามาเย็บจีวร อ, อย่างนี้ก็ถวายได้ หรือจะเอาไปหาหมอไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ก็ให้ได้แต่ควรจะมีเหตุมีผลไม่ควรจะให้โดยไม่มีเหตุมีผลถ้าอยากจะถวายเงินให้กับวัดก็ถวายเป็นส่วนกลางไปถวายเป็นกองกลางไปว่าเงินกองกลางนี้จะต้องมีเหตุมีผลถึงจะใช้ได้และ ไม่มีพระรูปใดรูปหนึ่งจะใช้ได้โดยโดยอำนาจของตนจะต้องมีการดูแลจากพระรูปอื่นจะต้องมีความเห็นชอบก่อนเงินที่ถวายส่วนกลางนั้นไม่ได้เป็นของส่วนตัวจะต้องใช้เพื่อประโยชน์กับาศาสนาเพื่อประโยชน์กับวัดเพื่อประโยชน์กับภิกษุสา ม, มเณรที่อยู่ในวัดเท่านั้น นี่ก็คือการทำบุญให้ทานว่าเราควรจะรู้จักแยกแยะรู้จักเหตุรู้จักผลถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเกิดความเสียหายตามมาได้นี่คือเรื่องของการทำความดีและเรื่องของการไม่ทำบาส่วนเรื่องของการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธินี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะถ้าจิตใจยังไม่สะอาดบริสุทธิ์ก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเงีงเพราะยังไม่ได้ชำระเชื้อที่จะพาให้ไปเกิดนั่นเองถึงแม้จะทำบุญมากขนาดไหนก็ตามถึงแม้จะไม่ทำบาปเลยก็ตามก็ยังไม่สามารถหยุดการไปเกิดได้การที่จะหยุดการไปเกิดได้นี้ต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธ อะไรแล้วที่เป็นสิ่งที่ทําให้ใจไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดก็คือกิเลสตัณหานั่นเองกิเลสเครื่องเศร้าหมองตัณหาคือความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจอยู่ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ก็ยังต้องไปเกิดอีกถ้ายังมีความอยากทั้งสามส่วนคือความอยากในการความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นยังมีอยู่ภายในใจอยู่ก็ยังต้องไปเกิดอี ก, การที่จะชำระใจไม่ให้ไปเกิดได้นี้ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญจิตถภาวนามีสองส่วนด้วยกันคือหนึ่งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะคือการทำใจให้สงบ ให้ระงับจากความคิดปุ่มแต่งต่างๆเวลาใจมีความสงบแล้วจะมีความสุขจะเห็นคุณของความสงบจะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะมีความสุขเท่ากับความสงบถ้าใจได้พบกับความสงบแล้วก็จะมีความปรารถนาที่จะตัดความโลภความอยากต่างๆเพราะเห็นแล้วว่า ความโลภความอยากกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังไม่สามารถทำให้ใจสงบเย็นสบายได้ยิ่งมีมากยิ่งมีความทุกข์มากยิ่งมีความวุ่นวายใจมากยิ่งมีความโลภยิ่งมีความความอยากมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีมีคือก็อยากจะได้สอบ มีสอก็อยากจะได้เวลามิคือมีแล้วเท่าไหร่จะไม่รู้จักคำว่าพอเมื่อไม่มีคำว่าพอก็จะไม่มีคำว่าสงบเมื่อไม่มีคำว่าสงบก็จะไม่มีความสุขที่แท้จริงนี่ก็คื อ, อประโยชน์จากการที่ทำสมถะภาวนาพอทำสมถะภาวนาแล้วก็จะเห็นคุณค่าของความสงบ ก็อยากจะตัดความโลภตัดความอยากต่างๆให้หมดไปและสิ่งที่จะทำให้ใจตัดความโลภตัดความอยากได้ก็คือปัญญาหรือวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาพของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าไปยึดไปติดก็จะมีแต่ความทุกข์ ถ้าไปอยากได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ถ้ามีปัญญามองเห็นอย่างนี้ได้ก็จะตัดความโลภตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้เช่นเวลาเราเห็นอะไรที่เราเกิดความชอบขึ้นมาเราต้องดูว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าถามว่ามันเป็นของเราหรือไม่ หรือมันอาจจะกลายเป็นของคนอื่นไปก็ได้เช่นซื้อโทรศัพท์มือถือมาใหม่ถ้าเกิดเราเผลอไปวางไว้ที่ไหนก็จะหายไปได้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นได้เวลามันหายไปแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรดีใจหรือเสียใจจะทุกข์หรือสุขให้เราพิจารณาอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะอยากจะได้นี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเวลาที่มันจากเราไปเราก็จะต้องทุกข์อย่างแน่นอนในขณะที่มันอยู่เราก็ต้องทุกข์เพราะเราต้องคอยห่วงคอยกังวลคอยรักษาคอยดูแลนี่คือการมองสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลเป็นเหมือนกันหมด ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่อยู่กับเราไปตลอดเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะตัดความโลภตัดความอยากต่างๆได้เมื่อเราตัดได้ใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วทีนี้ก็ไม่ต้องไปเกิดอีกพอร่างกายนี้ตายไปใจนี้ก็ไม่ต้องไปเกิดอีก การไม่ไปเกิดนี่อย่าไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันดีกว่าไปเกิดเพราะการไม่ไปเกิดนี่ก็เป็นเหมือนการนั่งอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศมีเครื่องดื่มมีอาหารมีเครื่องบันเทิงทั้งหลายครบบริบูรณ์เราอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะกินอะไรอยากจะทำอะไรมีหมดอากาศก็เย็นสบายไม่เหมือนกับออกไปข้างนอก ไปทำงานข้างนอกไปแบกไปหามไปขุดดินท่ามกลางแดดอันร้อนร้อนนั่นแหละก็คือการไปเกิดเป็นอย่างนั้นเวลาเราไปเกิดแล้วเราก็ต้องไปทุกกับการหาเงินหาทองทุกกับการดูแลรักษาร่างกายทุกกับการเสียสิ่งต่างๆไปแต่การไม่ไปเกิดนี่เป็นเหมือนกับการอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ที่มีแต่ความสุขดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราไม่ไปเกิดแล้วเราจะสูญหายไปเราไม่สูญเพราะใจมันไม่สูญใจมันเป็นสิ่งที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่หายไปไหนใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวุกทั้งหลายไม่ได้หายไปไหนใจของท่านอยู่ในห้องแอร์อยู่ในสถานที่มีเครื่องบำรุงความสุขทุกประกานนั่นเอง จึงขอให้พวกเราไม่ต้องหวาดกลัวกับการชำระความโลภความโกรธความหลงกับการชำระตัณหาทั้งหลายบางคนคิดว่าพอชำระหมดแล้วใจก็จะสูญหายไปไม่สูญหายไปใจก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมต่างกันตรงที่เป็นใจที่มีแต่ความอิ่มมีแต่ความสุขถ้าใจที่ไปเกิด น, นั้นยังมีความหิวมีความอยากยังมีความทุกข์อยู่ต่างกันตรงนี้เท่านั้น ยังขอให้เราพยายามปฏิบัติธรรมให้มากจเจริญสมถะภาวนาให้มากจเจริญวมมิปัสสนาให้มากแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้พระนิพพานเป็นสมบัติมาครองใจอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาทาบุญสร้างกุศลเพื่อพัฒนาจิตใจของเราให้ได้ไปสู่จุดสูงสุดนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิิษ์พิจารณา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 ทั้งไหนทำโลกและไหนทำธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ